บันทึกเทศเนื่องในงานปฏิบัติธรรมที่วัดสว่างอารมณ์กามอศูนย์จังหวัดยสโทธรเมื่อวันที่27มีนาคม2542เรื่องชีวิตของนักบุญโดยพระมหามงกุลปัญญาวโรในมณฑลลานบุญแห่งนี้ขอโอกาสพระคุณเจ้าทุกรูปพร้อมกับ จเจริญพรญาติโยมทุกท่านเนื่องในการทำบุญในคราวนี้กำหนดการเริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เป็นวันที่สองพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายกำหนดการทำบุญดังกล่าวครั้งนี้หลายชีวิตมาร่วมพิธีการ หรือเรียกว่าหลายคนมาร่วมงานมาในงานทำบุญนั้นควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างถึงจะเป็นผู้มาชนิดที่ว่ารู้จุดหมายปลายทางเราจะไปเยี่ยมใครก็ต้องรู้ว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนเส้นทางจะเดินไปหาเขานั้นจะไปเส้นทางใดอย่างนี้เขาเรียกว่า รู้จุดหมายที่ไปแล้วก็รู้เส้นทางที่จะไปถ้าเราเพียงแต่รู้ว่าเราไปจะไปเยี่ยมลูกที่กรุงเทพแต่เราไม่รู้เส้นทางไปเราไปผิดเส้นทางเดินเลี้วๆหรือขึ้นรถโน้นวิ่งไปทางนครพนมนั่นตรงไปทางทิศตะวันออกไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าไปผิดเส้นทาง การไปผิดเส้นทางนั้นเป็นเรื่องของวิธีการเดินทางวิธีการเดินทางนั้นมันผิดเส้นทางแต่ความตั้งใจยังเหมือนเดิมอยู่ว่าจะไปเยี่ยมลูกที่กรุงเทพไม่ได้เปลี่ยนแต่เมื่อไปผิดทางแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่เรียกว่าไม่ถึงจุดหมายที่หวังในการทำบุญคราวนี้ก็เช่นเดียวกัน เรื่องบุญนั้นเป็นเรื่องของความดีงามมันมีเยอะแยะมากมายความดีงามถ้าเราจะทำตนหรือประพฤติตนให้เป็นคนดีงามถ้าจะถามว่าความดีงามมีอะไรบ้างถ้าจะตอบเป็นรายย่อยเป็นประเด็นย่อยอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดี อ, นนดอุ้ยมันเยอะแยะแต่จะอย่างไรก็ดีไม่อยากจะให้เขว ควรจะรู้หลักใหญ่ๆดีกว่ารู้ประเด็นย่อยๆนั้นมันเยอะเกินที่จะจำได้บางคนเกิดมาเป็นคนเกิดมานานอายุมากได้ยินคำบุญก็ได้ยินมานานเคยไปร่วมพิธีการที่เขาเรียกว่าทำบุญก็หลายครั้งแต่บางที ยังไม่สามารถที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตัวเองคือไม่สามารถจะทำใจของตัวเองให้รู้ได้โดยชัดเจนเลยว่าไปทำบุญนะ่ะคือไปทาอะไรไปทำแบบไหนมันถึงจะถูกบุญบางทีไม่รู้วิธีเลยไม่รู้หลักที่จะยึด ไม่รู้หลักที่จะปฏิบัติให้มันถึงบุญให้มันเกิดบุญและบางทีก็อาจจะไม่ทราบต่อไปว่าทำไมถึงต้องทำบุญเมื่อวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเราอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่รู้ว่าวิธีทำบุญที่ถูกต้องเป็นอย่างไรและจะทำบุญนั้นทำเพื่อให้มันเกิดอะไร ถ้าหากไม่ทราบอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่เราก็ไปร่วมทำบุญกับเขาบ่อยครั้งแต่จิตเรานั้นจะแกวงจิตแกวงนั้นหมายถึงว่าจิตโลเลจิตที่ไม่แน่ใจคือไม่รู้จะวางตัวอย่างไงมันถึงจะภูมิใจว่าเรานั้นคือนักบุญที่รู้หลัก จะวางความรู้สึกอย่างไรที่จะมีความมั่นใจอบอุ่นใจกับตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าได้เสียเวลาไปร่วมบุญถ้าได้เหนื่อยเพราะการไปทำบุญถ้าได้สิ้นเปลืองเพราะการทำบุญแล้วจะต้องให้ได้บุญวิธีจะให้ได้บุญนั้นจะวางตัวแบบไหนถ้าใจรู้แล้วระวังตัวถูกเราจะรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ไปทำบุญ ขณะไปก็โอ้ยดีใจว่าวันนี้จะไปทำบุญไปถึงแล้วก็รู้ว่าทำบุญนั้นต้องทำแบบไหนเมื่อได้ทำตามที่ตั้งใจก็รู้สึกภูมิใจว่าขณะนี้กำลังทำบุญถูกต้องและขณะนั้นก็รู้อีกว่าทำอย่างนี้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำถูกต้องอย่างนี้แล้วต่อไปจะเกิดผลดีอย่างนั้นอย่างนั้นตามมา และบุญที่เราทำถูกต้องแล้วนี้เกิดผลดีในชาตินี้อย่างนี้อย่างนี้ตามมาในชาติต่อไปบุญนั้นก็จะติดวิญญาณเราไปอย่างนั้นอย่างนั้นแม้มันปลื้มใจตัวเองเหมือนกับเรานั้นเพิ่มบุญให้เก่ตตัวเองเพิ่มยังไงก็รู้ว่าเพิ่มความปีติความปรับปลืม้มความสุขใจความพอใจมันก็เกิดเมื่อได้ทาบุญถูกต้องก็รู้ว่าถูกต้อง ทีนี้เมื่อมีความพอใจเอิบอิ่มก็จะมีความสุขใจว่าตัวเรานั้นไม่ใช่นักบุญผู้หลงทางจะมีความปลื้มใจและจะมีกําลังใจกําลังใจที่จะทําดีไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมันจะแกร่งขึ้นเรื่อยจิตมันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อย แต่ถ้าไม่รู้หลักสำคัญสำคัญเสียเลยจิตจะไม่เกร่งจะเป็นนักบุญที่โลเลจริงจังในบางครั้งบางครั้งก็เลาะแหละค่ะเรว่าใจมันยังไม่มั่นคงพอใจยังไม่อยู่ตัวฉะนั้นด้วยความปรารถนาดีในฐานะพวกเราเป็นชาวพุทธเหมือนกันอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายมีจิตที่ภูมิใจ เมื่อได้ทำบุญและอยากให้พี่น้องทั้งหลายนั้นทำบุญอย่างรู้หลักจะได้มั่นใจว่าหลักมันเป็นอย่างนี้เมื่อฉันทำถูกต้องตามหลักแล้วผลอย่างนั้นอย่างนั้นจะเกิดมาจะตามมาจะมีขึ้นนี่คือดวงใจของผู้เทศมีความประสงค์อย่างนั้นฉะนั้นวันนี้จะได้อธิบายในเรื่องหลักๆเกี่ยวกับบุญนั่นแหละ บุญคืออะไรก็จะบอกให้ชัดเจนจะได้ไม่แกว่งถ้าจะทำบุญนั้นจะต้องทำแบบไหนมันถึงจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเสียเวลาแต่จะได้ผลดีคุ้มค่าทำแบบไหนบางทีทำบุญไม่ใช่แต่เสียเวลานะบางทีเหนื่อยมากเหลือเกินแต่เหนื่อยแล้วมันคุ้มค่าจะต้องทำบุญแบบไหน บางทีไม่ใช่เพียงแต่เสียเวลาและเหนื่อยเท่านั้นมันสิ้นเปลืองเยอะจะทําบุญแต่ละทีทั้งเสียเวลาทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งสิ้นเปลืองยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะสิ้นเปลืองการลงทุนอย่างนี้มันคุ้มค่าหรือถ้าเสียเวลาถ้าเหน็ดเหนื่อย ถ้าสิ้นเปลืองเยอะแยะแล้วมันเกิดผลดีมากมายตามมาอย่างนั้นเรียกว่าลงทุนแล้วคุ้มค่าเพราะได้สิ่งดีๆเยอะแยะเกิดขึ้นนี่คือความรู้สึกในจิตใจของผู้เทศเรียกว่าตั้งใจให้แน่วแน่ว่าต้องเมตตาต่อผู้ฟังต้องให้ผู้ฟังทราบเรื่องเหล่านี้ไม่งั้นจะเป็นนักบุญที่โครงเพลงอย่างที่ว่านั่นแหละเลื่อนลอยอ่าไม่มั่นคงในที่สุด ลงทุนแล้วอาจจะเสมอตัวบางคนนั้นลงทุนไปมากเหลือเกินเสียเวลาก็มากจะทำบุญแต่ละทีคียดจนปวดสมองกว่าจะถึงวันงานเหนื่อยก็แสเหนื่อยตัวเป็นเกลียวบางคนน้ำหนักลดทันตาเลยเลเตรียมงานแต่ละงานแต่ถ้าลงทุนถึงขนาดนี้แล้วทำไม่ถูกบุญนั้นเขาเรียกว่าเหมือนกับเราลงทุนเอาเงินเยอะแย ะ, ยะไปซื้อสินค้ามาเพื่อจะค้าขาย แต่ขายแล้วปรากฏว่าลงทุนไปสมมติว่าหนึ่งพันแต่ว่าขายไปขายมาได้เพียงแปดร้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าขาดทุนฉะนั้นชาวพุทธที่ขาดทุนก็มีเหมือนกันแต่เป็นชาวพุทธในลักษณะใดฟังไปเรื่อยๆก็จะทราบว่าเราเป็นชาวพุทธผู้เสมอตัวหรือว่าเป็นชาวพุทธที่ก้าวหน้าไปเรื่อย เสียเวลาบ่อยครั้งเหนื่อยบ่อยครั้งกับงานกับการกับบุญสิ้นเปลืองมากับบุญบ่อยครั้งคุ้มค่าไหมท่านจะสามารถตอบตัวเองได้ถ้าท่านฟังในสิ่งต่อไปนี้แต่ก่อนอื่นขอแทรกนิดหน่อยจะยังไม่อธิบายแทรกนิดหน่อยอาตมาทราบมานานแล้วแหละ ว, ว่าที่วัดนี้จะมีการทำบุญในวันที่ยี่บหกถึงยี่สิบแปด เป็นบุญอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็อยากจะทำบุญก็เรียกว่ารื้อป่าช้าหรือสวดถอนป่าช้าจะไม่พูดรายละเอียดว่าวัดนี้ก็คือวัดมันเป็นป่าช้าตรงไหนอยากทราบไปถามรายละเอียดเอาเองอาตมาไม่อยากจะเสียเวลาอธิบายเรื่องนี้เพราะจิตใจตั้งใจที่จะอธิบายธรรมะฉะนั้นก็ได้ทำบุญเกี่ยวกับการรื้อป่าช้าสวดถอนป่าช้าด้วยในคราวนี้นะนี่บุญ บุญที่หนึ่งที่เราเรียกชื่อกันเรียกชื่อบุญที่สองในงานคราวนี้ได้ทำอะไรบ้างบุญผ้าป่าก็อยู่ในคราวนี้แหละงานครั้งนี้ก็เป็นงานผ้าป่าด้วยไม่ใช่เพียงแต่สวดถอดสวดถอนระลึบ ป, ป่าช้าเท่านั้นแต่ก็มีการทำผ้าป่าด้วยนี่งานคราวนี้ เรียกว่ามีบุญผ้าป่าอยู่ด้วยแล้วมีบุญอะไรอีกมีบุญเรียกว่าจัดปฏิบัติธรรมด้วยเป็นอันว่าเอาบุญสามอย่างนี้มาทามารวมกันทำอยู่ในช่วงนี้คือบุญหรือป่าช้าบุญผ้าป่าและบุญปฏิบัติธรรมการทำครั้งนี้พี่น้องทั้งหลายมานี่ จะเห็นชื่อป้ายนอนท์อยู่หลังโต๊ะหมู่ทางด้านขวามือธรร ม, มาตทางด้านขวามือพุทเทศบางท่านมองไกลๆอาจจะมองไม่เห็นกลางคืนตาฟ้าตาฝ่างบางท่านนั้นมองเห็นอยู่แต่อ่านหนังสือไม่เป็นอัตมาจะอ่านให้ก็ได้นนท์ท่านมาอยู่ที่นี่ที่นี่ถูกเรียกว่าลานบุญนนท์ป้ายเขาเขียนว่าลานบุญนะตัวแดงๆ น, นะน่ะลานบุญ เมื่อถึงลานบุญท่านต้องทำอะไรก็มาทำบุญสิทำหรื อ, อยังเดีย๋ยนี้ทำหรื อ, อยังทาถูกหรื อ, อยังน่าดีใจตรงไหนเป็นบุญตรงไหนสิ่งเหล่านี้จะต้องทราบที่จริงควรทราบตั้งแต่ก่อนมาเ น, นแหละว่าวันนั้นวันนั้นก็ทำบุญเรามาทำบุญเราต้องทำแบบนั้นแบบนั้นบัดนี้เรากำลังทำตามที่เราคิดนั้นแล้วจะต้องมีสภาวะที่รู้อย่างแจ่มชัดในจิตใจอย่างนั้น คำว่าลานบุญจะมีอธิบายอย่างอื่นยอดอกแต่ว่าอธิบายคำว่าลานบุญก่อนเพราะถ้าเข้าใจอย่างนี้เมื่อท่านอยู่แถวนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่ที่บริเวณนี้แล้วถูกเรียกว่าลานบุญแล้วจะต้องอยู่แบบไหนถ้าสถานที่แห่งหนึ่งจะรกหรือไม่รกก็ตามถ้าตรงนั้นเอาคนตายไปฝังบริเวณนั้นเราเรียกทันทีว่า ป่าช้าท่าที่ใดเขาพยายามปราบที่ให้ราบเรียบพอสมควรเสร็จแล้วตรงนั้นเอาเข้าวไปกองไว้ข้าวที่เราเกี่ยวแล้วเป็นฟ้อนนั่นแหละเอาไปกองไว้หรือไปนวดข้าวตรงนั้นตีข้าวตรงนั้นฟาดข้าวตรงนั้นตรงนั้นก็เรียกว่าลานเหมือนกันแต่ถ้าเอาข้าวที่เราเกี่ยวไปไปนวด ไปตีไปฟาดตรงนั้นตรงนั้นก็เรียกว่าลานแต่เรียกว่าลานข้าวคงเคยได้ยินถ้าตรงใดที่เขาทำให้ราบเรียบเป็นบริเวณราบเรียบและตรงนั้นมีการเอาเอามันมันสําปะหลังไปกองไว้เยอะตรงนั้นก็เรียกว่าลานแต่เมื่อเอามันไปรวมว้บก็เรียกว่าลานมันถัดตรงใด ยกเวทีขึ้นสูงหรือต่ำก็ตามกำหนดเนื้อที่กว้างยาวขนาดไหนไม่จำกัดแต่ตรงนั้นมีการไปฟ้อนไปเต้นกันตรงนั้นเรียกว่าเวทีเต้นนั่นนะเรียกว่าเวทีนะจะเรียกว่าลานเต้นก็คงไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้ายกเป็นเวทีขึ้นมาก็ก็ในลักษณะเป็นลานเต้นนั่นแหละแต่เขาก็เรียกว่าเวทีเต้นคือมันสูงสหน่อยแต่ถ้ามาเต้นกันแบบพื้นราบเรียบ ก, ก็เรียกว่าลานเต้นนั่นแหละ ลานเต้นรำถ้าเอาคนไปตีกันอยู่ข้างบนที่เขายกพื้นสูงมีเชือกขึงรอบด้านตรงนั้นก็เรียกว่าเวทีมวยเวทีไปต่อยทีนี้พกเรามาอยู่อย่างนี้นี่เวทีนักบุญถ้าเรียกว่าเวทีก็อีกก็ไม่ชินเรียกว่าลานบุญเนาะนักมวยต้องไปต่อยอยู่บนเวทีนั้นนักบุญจะต้องมาทำอะไรที่นี่ก็มาทำบุญสิทำบุญแบบไหนอะไรคือบุญ เอามาทราบคำว่าบุญเสียก่อนบุญได้ยินมานานนักหนาแต่ถ้าจะหาคำตอบแล้วมันยากเหลือเกินเพราะได้ยินคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้บางคนก็บอกว่าบุญคือความสุขบางคนก็บอกว่าบุญคือสภาพที่เฟื่องฟูและบางท่านก็อาจจะไม่พูดอย่างนี้เมื่อฟังมาหลายๆอย่าง ถ้าขาดการใช้สติปัญญาพิจารณาเาเร่าขาดการพินิจพิเคราะห์บางคนไม่รู้จะพินิจพิเคราะห์ว่าคำไหนควรจะถูกเมื่อพินิจพิเคราะห์ไม่เป็นก็เลยเกิดความสงสัยเรื่อยมาไม่รู้ว่าบุญมันคืออะไรกันแน่ บางทีอาจจะนึกรําคาญบุญเพราะอาจจะนึกเห็นว่าบุญก็คือการที่คนออกไปแห่กันหลอนแล้วก็มาขอเงินหน้าบ้านแบบนี้ก็เลยนึกกลัวประเพณ์นะมองบุญเป็นเรื่องแห่กันหลอนบางคนก็บอกเอาบุญก็คือการที่มารวมกันกินสนุกสนานมีการเมามีการดูหมอลำอ้าวบางคนก็มองบุญไปอย่างนั้นเลยเห็นว่าบุญก็คือเรื่องของการหมอมเมาสนุกสนานเอาเถอะใครจะมองอย่างไรก็ตามวันนี้ อยากจะให้ความหมายด้วยการไม่ติดในคำพูดแต่ขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนที่จะบอกว่าบุญคืออะไรนั้นขอให้นึกถึงนักบุญชั้นยอดเสียก่อนพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นคนเหมือนพวกเราแต่เป็นนักบุญชั้นเยี่ยมที่สุดแล้ว คนดีมีเยอะแยะแต่ไม่มีใครดีเท่ากับพระพุทธเจ้านักบุญก็มีเยอะแยะแต่ไม่มีนักบุญคนใดชั้นเยี่ยมเท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดว่านักบุญที่เยี่ยมยอดที่สุดคือใครก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านใช้ชีวิตแบบไหนเราจึงเรียกว่านักบุญนักบุญก็คือบุคคลที่ คอยพิจารณาดูตัวท่านเองนะว่าจะเป็นเหมือนอย่างต่อไปนี้ไหมนักบุญเขาเป็นยังไงเขาจึงเรียกว่านักบุญตัวเราอนี่เป็นนักบุญไหมพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นนักบุญที่สมบูรณ์แบบเต็มเปรียยเลยแหละเต็มเปรี้ะเลยไม่ใช่นักบุญแบบหย่อนหย่อนนักบุญแบบเปอร์เซ็นต์น้อยๆไม่ใช่นักบุญที่เต็มบริบูรณ์เลยแหละเป็นนักบุญอย่างแท้จริงเลยแหละไม่มีบกพร่องลักษณะของนักบุญนั้นเป็นอย่างนี้ นักบุญนั้นเขาจะทำอะไรสิ่งนั้นต้องดีงามจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรสิ่งนั้นต้องดีงามถ้าท่านอยากเป็นนักบุญนะท่านต้องทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามดีงามตามศีลตามธรรมนะไม่ใช่ดีงามตามใจท่านเราชอบนะ จะทำจะพูดจะคิดอะไรถ้าจะทำพูดคิดแบบนักบุญสิ่งนั้นต้องดีงามตามศีลตามธรรมนี่ประการที่หนึ่งหรือสิ่งที่ทำที่พูดที่คิดนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าได้ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรไปโดยที่สิ่งนั้นมันดีงามมันถูกต้องตามศีลตามธรรมสิ่งนั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์ นั่นแหละคือชีวิตของนักบุญนั่นแหละคือความประพฤติของนักบุญคำว่าความประพฤติหมายถึงการแสดงออกพี่น้องทั้งหลายพวกเรามีการแสดงออกทางกายทางวาจาทางจิตใจการแสดงออกของนักบุญนั้นก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรนักบุญเขาจะต้องคิดว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไร สิ่งนั้นดีงามไหมสิ่งนั้นถูกต้องตามศีลตามธรรมไหมสิ่งนั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่เราและคนอื่นไหมถ้าพิจารณาเห็นว่าดีงามแล้วแน่นอนถูกต้องตามศีลตามธรรมแล้วแน่นอนสิ่งที่จะทําพูดคิดต่อไปนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์แน่นอนแล้วจึงค่อยทําพูดคิดสิ่งนั้นไปอย่างนี้เรียกว่า นักบุญฉะนั้นการมองนักบุญนั้นมองได้สามทางทางหนึ่งคือมองดูการกระทาดูได้เลยว่าใครเป็นนักบุญนั้นเห็นการกระทาก็พอรู้ประการที่สองดูนักบุญต้องดูทางการพูดทุกคนมีปากที่จะพูดทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นนักบุญเขาไม่ได้กีดกันว่าว่าหนอกบ้านนาไม่มีสิทธิ์เป็นนักบุญ ตัวผอมๆกระรองอย่างนี้ไม่สวยเลยไม่มีสิทธิ์เป็นนักบุญไม่ใช่พี่น้องทุกท่านมีสิทธิ์จะเป็นนักบุญตามรอยพระบาทเขาเรียกว่าเป็นนักบุญตามพระพุทธเจ้าได้มีสิทธิ์ไม่มีใครจะกีดกันท่านได้ดอกถ้าแบ่งสมบัติที่เป็นไร่เป็นนาไร่นาสาโทยอย่างนี้เขากลั่นแกล้งกันได้แย่งสมบัติกันได้ แต่การที่เราจะสร้างคุณงามความดีให้ติดเป็นนิสัยของเราคนอื่นจะมาลักมาจี้มาปล้นมาคดมาโกงเอาบุญบารามีซึ่งมันอยู่กับจิตกับใจไม่ได้เด็ดขาดดูนักบุญประการที่สามดูดูทางความคิดงงแล้วทีนี้ถ้าทำอะไรออกมาก็พอรู้ว่ามันดีงามไหมถูกต้องไหมเป็นคุณเป็นประโยชน์ไหมการพูดก็เหมือนกัน ถ้าเขาพูดอะไรมาเราก็พอรู้ว่ามันดีงามไหมมันถูกต้องไหมเป็นคุณเป็นประโยชน์ไหมทีนี้จะดูใจของนักบุญจะดูได้อย่างไรว่าใจคิดดีคิดงามไหมก็ต้องอาศัยการสืบสะท้อนถึงกันการส่องสะท้อนถึงกันเช่นอย่างคนที่ทำหน้าสยิวหน้าขมวดหน้าบึง้งตึงกัดกราม กำมือเข้ามาเรียกว่ากำกำปั้นทุบ้วยความเกลี้ยวกราดคำว่าหน้าบูดหน้ามุ่ยคำว่าหน้าเกลี้ยวกราดทรมายกแขนทุบคนอื่นชนิดกัดกรามอาการเหล่านี้เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใบหน้าแต่เราก็รู้ว่าเขาใจเกลี้ยวกราดใจเขาโกรธเรียกว่าเป็นกิเลสคือโทสะ ฉะนั้นอาการของใจสภาพของใจในคราวใดโศกมันก็แสดงออกทางสีหน้าว่าเศร้าละห้อยเสื่องซึมใจโศกแต่มันปรากฏออกทางหน้าว่าเหงาหงอยเสื่องซึมฉะนั้นเวลามีคนหน้าเศร้าเศ้าหน้าเสื่องซึมเราก็บอกว่าเขากำลังมีความโศกเพราะลูกเขาตาย ที่จริงความโศกนั้นมันโศกอยู่ที่ใจนึกแต่ทําไมมันแสดงออกทางหน้าละห้อยหน้าซึมหน้าเศร้าบางคนจึงบอกว่าใบหน้าเป็นหน้าต่างของดวงใจดูใบหน้าก็รู้ถึงใจเลย ว, ว่ากําลังโศกทีนี้คนที่โกรธฉุนเฉียวเดือดดานโกรธอย่างแรงฉุนเฉียวอย่างแรงเดือดดานอย่างแรงโมโหอย่างแรงเป็นเรื่องของใจโมโหใจเดือดดานแต่หน้าตาจะแดง แดงเถือกไปเลยแหละหน้าตาจะแดงเพราะว่าเมื่อโกรธนั้นใจมันเต้นแรงมันเต้นเร็วกล้ามเนื้อหัวใจมันก็ปั๊มเลือดไปตามเส้นเลือดอย่างแรงเลือดที่กระจายไปตามเส้นทั่วร่างกายจนกระทั่งถึงเส้นฝอยเส้นเลือดฝอยนะเลือดมันอัดมาแรงมันก็ปรากฏชัดว่าเลือดน้นมันสีแดง เมื่อเส้นเลือดฝอยมันอยู่ผิวเผินตามผิวหนังมันก็ปรากฏให้เห็นว่าใบหน้าจะแดงเวลาโกรธเขาเรียกโกรธจนหน้าแดงเห็นหน้าแดงจึงรู้ว่าอาการอย่างนี้คนนี้โกรธจัดแน่ฉะนั้นนักบุญจริงๆใครเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบก็บอกพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่หมายถึงคนที่ทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรแล้วสิ่งนั้นดีงามแน่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมแน่ เป็นคุณเป็นประโยชน์แน่ใช่ไหมใช่ถ้าพวกเราอยากจะเป็นนักบุญเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างมันต้องดอกร่างกายที่เราจะทําความดีเรามีอยู่แล้วคนจนคนรวยเขาก็มีร่างกายจะผอมจะอ้วนเขาก็มีร่างกายสามารถเป็นนักบุญได้มีเครื่องมือด้วยกันทุกคนแต่บางคนเขาใช้ไม่เป็นดอกหาข้าวหาน้ําให้ร่างกาย อาบน้ำประแปงแต่งตัวให้ร่างกายไปเรียนหนังสือให้เกง่งรู้จักวิธีการดูแลร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวแบบไหนแต่จะทำตัวเองให้เป็นนักบุญนั้นบางคนยังไม่รู้หลักฉะนั้นจึงเป็นการเกิดมาที่เรียกว่าเราอาจจะร่ำรวยรัพย์ซึ่งเป็นของทางโลกแต่เรายังไม่มีทรัพย์สมบัติกากับใจที่จะทาให้ใจนั้นมีบุญมีวาสนา ซึ่งเมื่อตายไปแล้วเขาก็เผาร่างกายเรามันไม่ได้ไปวิเศษวิโสไปเกิดที่ไหนเดอร่างกายทาไมเผากับฝังเท่านั้นแหละแต่ว่าวิญญาณของเรานี่สิไม่มีใครฝังวิญญาณเราได้ไม่มีใครเผาวิญญาณเราได้ทีนี้ถ้าเราไปทําดีพูดดีคิดดีบ่อยๆมันก็ติดติดนิดสัยที่วิญญาณวิญญาณที่ไปเกิดมันมีแต่นิสัยดีไปเกิดนี่มันได้เปรียบนะ เพราะวิญญาณที่มีนิสัยดีไปเกิดสมมติว่ามีความดีติดวิญญาณไปในระดับวิญญาณของมนุษย์เวลามีแม่ตั้งท้องมีลูกมีลูกอยู่ในท้องวิญญาณที่มีนิสัยดีสมกับนิสัยมนุษย์มันก็จะไปสิงอยู่ในร่างของมนุษย์แต่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วทาอะไรก็มักง่ายพูดมักง่ายคิดมักง่าย ผิดศีลผิดธรรมติดนิสัยไม่ดีเช่นว่านิสัยมักง่ายนิสัยขี้เกียดนิสัยหุนหันพลันแล่นเหล่านี้เป็นต้นถ้ามันติดวิญญาณล่ะเกิดไปเมื่อสมมติว่ายังไม่เลวมากนักก็ยังพอจะได้เป็นคนแต่เกิดเป็นคนแล้วคลอดออกมามีนิสัยไม่ดีตั้งแต่เด็กใครจะเป็นคนเดือดร้อนขี้เกียจก็สุดยอด พ่อแม่ไม่เคยสอนให้ขี้เกียจแต่เขาขี้เกียจเพราะมันเป็นเชื้อเดิมที่ติดมาไปเรียนหนังสือครูก็ไม่เคยมีโรงเรียนไหนเขาสอนให้คนขี้เกียจมีแต่สอนบวกลบคูณหารสอนอ่านสอนเขียนแต่ความขี้เกียจมันได้จากไหนกันแนะ่พ่อแม่ก็ไม่ได้สอนไปโรงเรียน ก, ก็ไม่มีวิชาสอนวิธีขี้เกียจแต่มันก็เป็นนิสัยเดิมสําหรับคนนั้นมันติดมาอย่างนั้นทีนี้ถ้าติดมาอย่างนั้นแล้วนี่ เกิดมาเป็นเด็กก็เด็กขี้เกียจแล้วงานมันจะก้าวหน้าได้อย่างไรไปเรียนหนังสือก็ขี้เกียจแล้วมันจะเก่งได้อย่างไรจับมาบวชก็เป็นนักบวชขี้เกียจแล้วจะไปได้บุญได้บา ร, รมีที่ไหนเป็นชาวไร่ชาวนาก็ขี้เกียจมันจะก้าวหน้าทันเขาหรือมันก็เป็นอย่างนั้นกระนิบใสมันก็ดึงเขากดเขาฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพอเรามีวิญญาณด้วยกันทุกคน เราจะได้วิญญาณที่ดีนั้นใครจะมาช่วยเราวิธีอยากให้วิญญาณได้นิสัยที่ดีนั้นเราจะต้องทําแบบไหนเราจะทําตามนิสัยไม่ได้แล้วแหละเราต้องรู้หลักเราจะไปทําตามอําเภอใจตามอารมณ์แล้วแต่อารมณ์จะพาทำพาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มันต้องรู้หลักไม่เช่นนั้นอีกไม่นานถ้าเราจากโลกนี้ไปวิญญาณเราจะไม่ได้สมบัติภายใน สมบัติภายนอกนั้นถึงมีเยอะวิญญาณก็ไม่เอาไปเพราะวิญญาณ น, นั้นอาศัยร่างกายอยู่ก็จริงแต่วิญญาณจะดีได้นั้นต้องทําชีวิตแบบนักบุญทําดีบ่อยๆพูดดีบ่อยๆคิดดีบ่อยๆวิญญาณถึงจะติดนิสัยได้นิสัยจะดีหรือจะเลวก็ตามถ้ามันอยู่กับวิญญาณแล้วมันไปกับวิญญาณได้คนที่รักตัวเองแบบฉลาดจะต้องมองชีวิต ในภพในชาติต่อไปด้วยเมื่อจะทำอะไรพูดอะไรระวังนิสัยไม่ดีคนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามระวังไว้ถ้านิสัยไม่ดีแล้วถือว่าเรานั้นกำลังเก็บนิสัยที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนในภพในชาติต่อไปทางศาสนาเขาเรียกคนไม่รักตัวริงอยู่เราอาจจะมีทรัพย์สมบัติภายนอกเยอะแยะเขาเรียก ว, ว่าทรัพย์ประจาโลก คือเอาไปด้วยไม่ได้มันจะอยู่ในโลกนี้เช่นตายแล้ววิญญาณเอาไร่เอานาไปไม่ได้มีผัวที่รูปหลอก็เอาผัวไปด้วยไม่ได้มีเมียที่แสนสวยก็เอาไปด้วยไม่ได้มีลูกมีหลานที่น่ารักน่าเอ็นดูเอาไปด้วยไม่ได้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกสิ่งประจําโลกวิญญาณไม่สามารถเอาไปได้ฉะนั้นคนที่ฉลาดนั้นเมื่ออยู่ในโลกนี้อยู่ในภพนี้นี่เขาจะสร้างสมบัติเพื่อโลกนี้ด้วยให้มีอยู่มีกินไม่ให้ยากจนคน้นแค้น หาความรู้ไม่ให้หูตาตัวเองแคบไม่ให้ตัวเองเป็นคนโง่พัฒนาตัวเองให้ทันสังคมทันเหตุทันการสิ่งเหล่านี้เขาก็ทำเตส่วนหนึ่งนั้นเขาจะไม่ลืมวิญญาณของตัวเองเหมือนเหมือนกับคนฉลาดที่มีการเตรียมตัวเพื่อให้อยู่ดีกินดีทั้งในชาตินี้แหละชาติต่ อ, ตอไปฉะนั้นถ้าบอกว่าการทำดีพูดดีคิดดี หรือการทำพูดคิดในสิ่งที่ดีงามถูกต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าทำอย่างนั้นเรียกว่านักบุญเราจะเป็นนักบุญได้เวลาไหนเมื่อไรเป็นได้ทุกเวลาไม่ต้องคอยฤดูฝนไม่ต้องคอยฤดูหน้าแล้งไม่ต้องคอยฤดูหนาวดอกสามารถที่จะทำดีพูดดีคิดดีได้ทุกการทุกเวลาเขาจึงบอกว่าอกาลิโกเอหิปัสิโ eh กที่พอเราสวดกันอกาลิโกนั้นมันแปลว่าการธรรมะนั้น เราจะประพฤติปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าโอ้ยถึงวันพระฉันจะรักษาศีลถ้างั้นความดีก็จําเป็นต้องทําในวันพระเท่านั้นหรือนอกวันพระจะตีใครก็ได้จะดาใครก็ได้จะประพฤติเลวซ้ำยังไงไม่เป็นไรหรอกถึงวันพระจึงค่อยทําดีอย่างนั้นไม่ใช่โลกมันก็ปนปี้ไปหมดฉะนั้นความดีจริงๆนั้นเป็นสิ่งจําเป็นอยู่ทุกการเวลาและจําเป็นกับทุกคนไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยวกแกก่อนจึงค่อยเข้าวัด แสดงว่าการที่จะฟังธรรมะเพื่อให้รู้ดีรู้ชั่วนั้นต้องเป็นเรื่องของคนแก่ใกล้ตายเข้าใจผิดเด็กที่จะรู้ดีรู้ชั่วนั่นแหละยิ่งจะเป็นโชคของชีวิตอะไรควรไม่ควรทาไงเด็กถึงจะรู้เราแนะเราชี้เราสอนนั่นก็ดีแล้วแหละมีลูกเราก็อบรมให้รู้ดีรู้ชั่วไม่เพียงแต่ให้เขารู้ด้วยจิตสานึกเท่านั้น